ขอบคุณนะครับที่เราได้ทบทวนกุรานมาเนี่ย ว, วันนี้มาถึงสุราอะไรสุราอัลฮิจรนะครับอัลฮิจรนะสุราอัลฮิจรสุราที่สิบห้านะพี่น้องอัลฮิจูร์แปลว่าอะไรอ่ะอัลฮิจูรแปลว่าชาวเขาชาวเขาคนเนี้ยเก่งนะมีบ้านอยู่สกัดเขาทำบ้านน่ะ สวยมากเลยแล้วก็บ้านใหญ่ใญใญแล้วก็แข็งแรงพวกนี้อัลลอฮ์ด้เล่าในคัมภีร์อัลกุรอานไว้พวกนี้สร้างปราสาทเจาะภูเขาทำบ้านพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์แทนที่จะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นกับทำลายตัวเองด้วยการทรยศต่ตอคำสั่งของอัลลอฮ์ ไม่เชื่อนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาในยุคนั้นก็คือนบีซอลและนะครับในสุรานี้เป็นน้องอายาที่สองเนี่ยในอัลกรุรอานเนี่ยให้เราทบทวนดูนะรูบะมายาวัดดุลละดีนกกฟารูลาวกานูมุสลิมินตรงเนี้ยถ้าเราอ่านให้จํานะอายาเดียวพอแล้ว รูบบเยาวด์ดุลลาดีนักฟารุลูกันุมุสลิมินบ่อยครั้งที่บรรดาผู้ปฏิเสธหวังว่าจะดีมากๆเลยถ้าพวกเราได้เป็นมุสลิมถ้าได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีอันนี้มันเป็นคำของคนที่ถูกทรมาน เป็นคำของคนที่ไม่เอาอิสลามเป็นคำพูดของคนที่หันหลังให้กับศาสนาเป็นคำพูดของคนมุสริกีนเป็นคำพูดของคนกาฟิรีนเป็นคำพูดของพวกเราด้วยที่หันหลังให้กับศาสนาทั้งหมดนั่นแหละนามาศก็น้อยศาสนาก็มีน้อยอยู่บนดุนยาเนี่ยี่น้องหาเงินร่วมตายก็ได้แค่นี้แหละ ได้มาแล้วแทนที่จะพาใส่ลงไปก็มาได้พาเก็บเอาไว้ให้ลูกให้เมียลูกก็เสียอีกเงินเยอะอย่างเงี้ยไปนต้นแที่พอวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณบนอัลลอฮ์รูบมายาวัดดุลลาีนักกฟารูลาวกานูมุสลิมินโออยู่นงี้เป็นมุสลิมซะก็จะดีสยนี่กับอะไร ไปคุยเอาไปบนเอาตอนอยู่ในกูโบไปบนเอาตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างมันช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นกูอา่านไปน้องถ้าเราได้อา่อานกูอ่านนี่มันเรื่องของเราทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คุยเรื่องใครแตเรื่องของเราอย่างเดียวเรื่องชีวิตของเราเนี่ยที่จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาเราขนาดไห น, า น, านที่ประธานอัานกูอ่านลงมายี่สิบสามปีแต่งตั้งนบีขึ้นมาคนหนึ่ง เพื่อดูแลเรื่องของเราแท้ๆเลยเนี่ยเรื่องชีวิตของเราเรื่องวิญญาณของเราเรื่องหูเราตาเราจมูกเราใช่ไหมร่วงรั้วของเราเนี่ย vre, สําคัญมากเลยเอาแああ e ค <cole> <an> <entscheiden> ่อายะก็ขอให้จําอายะนั่นแหละอายะแรกอายะที่สองของสุระอัลฮิจรูนะนะเอาวันนี้มาดูอายะที่สิบเอ็ดครับว่ามายตีฮิมมิรอซูลิน ไม่มีรอซูลคนใดไม่มีนบีคนใดไม่มีรอซูลคนใดที่มาอย่างพวกเขาที่มาสอนศาสนาเนี่ยนะครับแบบสบายๆแบบสะดวกสะดวกนะไม่มี ไม่มีนบีคนใดไม่มีรอซูลคนใดที่อัลลอฮ์ส่งมาทำงานศาสนาเนี่ยนะที่จะมาสอนศาสนาแบบสะดวกสะดวกแบบราบรื่นแบบเดินอยู่บนอะไรนะบนศสลนอะบนอะไรนะบนผ้าไหมอนะไม่มีไม่มีรอซูลคนใดในโลกที่อัลลอฮ์ส่งมารวมไปถึงคนที่ทำงานศาสนานหรือคนที่อยู่ในศาสานานี่แหละเราไม่ใช่รอซูลหรอกนะ แต่อัลลอฮ์เล่รอซูนน่ะใหญ่ที่สุดน่ะที่อัลลอฮ์เลือกตั้งมาให้เนี่ยแล้วก็ให้มาทํางานาศาสนาตั้งแต่นบีคนแรกของโลกอ่ะรอซูลของแรกของโลกอ่ะจนทางคนสุดท้ายของนบีมุฮัมมัดอย่างพวกเราวันนี้รวมไปถึงพวกเราที่เอ า, าศาสนาวันนี้เนี่ยนะไม่มีใครราบรื่นเลยมีปัญหาทั้งนั้นแหละทีนี้ <c oughs> เว้นแต่พวกเขาจะได้รับการเ ย, ออยียหยานี่อย่างพวกเราเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เอาศาสนานี่พวกเยอะตอนไม่เอาศาสนานี่พวกเยอะมากเลยเนี่ยพราะเอาศาสนาปาั๊บพวกหายหมดมันจะเหลมใหญ่แล้วอพูดละพูดกันแหะกันแหะเ อ, อ้ยอย่าไปยุ่งกันวะนูนนี่นเป็นตคัครูไปแล้วมันอแหลมไปแล้ว แม้แต่ภรญยาเราเมื่อก่อนไม่คุ้มพิจาบเนี่นะพวกเยอะพอคุ้มพิจาบหันมานมงนมัดอย่าไปยุ่งกับมันเลยโอ้ยมันอลัลเลมแล้วสารพัดตำหนิโอ้ตลอดเวลาจะนั่นถูกเยะเยยเยเยหยันเป็นของธรรมดานี่ทหารเราไม่อ่านกุ้งอ่านเนี่ยเราใจเสียนะ่ะพอถูกตำหนิมากๆเนี่ยใจเสีย ไอคนที่เข้าศาสนาใหม่ๆเนยถูตําหนินี่พวกหมดแล้วใจเสียใช่ไหมแต่พออ่านกุรอ่านปั๊บเนี่ยอ๋อไม่มีปัญหากุรอ่านสั่งว่าไงนะไม่มีรอซูลคนใดที่มายังพวกเขาที่จะมาสอนศาสนาแบบสบายๆสะดวกสะดว ก, ดวกเว้นแต่พวกเขาจะได้รับกายเ ย, ออยียวยาอ่อ้อผมขอเล่าประวัติ อ่าเล่าประวัติกุรอ่านเนี่ยมันต้องตัฟซีแต่มันต้องอธิบายนะเพราะอธิบายแล้วว่าความความเข้าใจมันก็จะเพิ่มขึ้นนบีมุฮัมมัดเอานาบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายก่อนแล้วกันนะ <c oughs> คนที่เอาใจนบีมุฮัมมัดเนี่ยคนที่ให้กำลังใจนบี ใ, นใครรู้เป่าใครอยา แล้วคนที่ให้กำลังใจนบีก็ลุงท่านนาบีอบูอะไรนะอบูตอเล็บให้กำลังใจท่านนาบีพระยาให้กำลังใจนี่มีฮะดีสบทหนึ่งนะครับพระยาท่านนาบีชื่อท่านหญิงขอดีจะชื่อท่านหญิงขอดีจะรวยด้วยเป็นมหาเศรษฐีด้วยแล้วก็เอาเงินเอาทองที่นางมีอยู่เนี่ยให้ท่านนาบีหมดเลย เอาไปทำอะไรครับเอาไปทำงานศาสนานางเป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนารกชาวสวรรค์ครับอ่าดูฮะดีสนี่นะฮะดีสอ่าอบับดุลฮุเรย์รอร์รดิยัลลอฮุแวนฮูบิบฮะดีสในมัมบุฮอรีนะครับบอกว่าอาตาจิบรีลรจิบรีลเนี่ยมาถึงมาลาอิกาเนี่ยลงมาจากฟ้าๆเลยนะมาหาท่านนาบ ال นีสุลล์ลลอฮิวะซัลลัม ฟาก้อล่ะจิบรีนมาถามมาบอกกับท่านนาบีบอกกับย่ารอซูลอัลลอฮฺฮ ادي ฮีขอดีจ่ะเางนี่นะภรรยาเธอนี่ยชื่อท่านหญิงขอดีจ้าน่ะก็อตตัดกำลังเดินมาเนี่ยวามาฮาอีนาอุนนางนี่นะถือหม้อมาด้วยใบหนึ่งนี่จิบรีนนะมา มาเล่าให้ท่านนาบีฟังว่าภรรยาเธอชื่อคอดีญาเ น, นี่นะถือหม้อมาใบหนึ่งมาหาท่านนี่แหละฟีฮีอิดามุนในนั้นมีแกงด้วยอลัลลอฮ์เนี่ยใช่ไหมทําไมไอ้เรื่องครอบครัวทำไมต้องเล่าด้วยเดรอก็จิบรีนอลัลลอฮ์ชอบอลัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์พอใจอ่ะที่มีภรรยาที่เป็นห่วงสามีและสามีทํางานอะไรทํางานศาสนา ยิบรีฟบอกว่าพนี่ภระยาเธอชื่อท่านหญิงคอดิญานนะนี่กำลังเดินมาเนี่ยแล้วก็ถือหม้อแกงมาด้วยใบหนึ่งในนั้นมีแกงฟีฮีอีดามุนเอาต่อามุนหรือมีอาหารเอาชรอบุญหรือมีเครื่องดื่มเห็ไหมเล่าที่เล่าทำไมนะ่ะให้นบีสบายใจอ่ะบางทีกำลังสอนศาสนาอยู่หิวข้าวอย่างเงี้ย จะระโฆษณาบอกชั้นขอข้าวจานหนึ่งมันก็พูดไม่ได้ใชจไนะไม่แน่นี่สาพภรรยานะรู้ก็ถืออาหารมาผู้จะมาให้สามียิบรีนเนี่ยบอกเลยสบายๆเนี่ยภรรยาถืออาหารมาให้แล้วมีหม้อมามีแกงมามีอาหารติดตัวมาด้วยฟาอิดาฮิยอาอัตตะเมื่อเธอมาถึงนะฟักระอะลัยฮสัสตะลม จงอ่านสลามของฉันด้วยฝากสลามไปถึงนางด้วยอัลลอฮ์ภรายาที่ยิบรีนฝากสลามนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนะแล้วก็ใครฝากอีกมิตร บ, บิฮาฝากสลามจากอัลลอฮ์ด้วยอัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงภรายาท่านนบีแล้วก็วามินนีและสลามจากฉันด้วยจากยิบรีนด้วยจากอัลลอฮ์ด้วยเห็นอย่าง นั่นะคนที่ภรรยาที่เอาใจสามีดูแลสามีในด้านศาสนาอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ได้พูดเลยพูดศาสนานี่แหละอัลลอฮ์น่ะชมภรรยาขนาดไหนให้จิบเรียมาบอกว่าเนี่ยนะอัลลอ์ฝ่าสลามนะบอกมุฮัมมัดเดี๋ยวภรรยามาว่าอัลลอฮ์นี่ฝ่าสลามถึงภรรยาด้วยแล้วก็สลามของฉันด้วยนะว่ามินน ว่บั ช, ชื่ฮาแล้วก็จงแจ้งข่าวดีให้ท่านนาบีบอกกับภรรยาบอกว่าบีไบตินฟิลจันนะว่านางเนี่ยจะอยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮฺนางจะอยู่ในสวนสวนสรรค์แสดงว่ า, ดวาวได้เข้าสวรรค์ไหมเข้าสวรรค์แน่ๆครับฟิลจันนะสวรรค์ทำมาจากอะไรมินคอสซบินทำมาจากไข่มุก บอกกับนางนะเดี๋ยวนางมาแล้วก็บอกกับนางว่าอัลลอฮฝากาสลามเยียบริญฝากาสลามบอกว่านางนั้นจะได้อยู่ในสวนสวรรค์แจ้งข่าวดีให้นางนางจะได้อยู่สวนสวรรค์ที่ทำมาจากอะไรไข่มุกอัลลอไข่มุกเม็ดหนึ่งเนี่ยราคามันแพงนะนี่ทาเป็นบ้านเลยเนี่ยเอา้าที่ที่อยู่อัลลอฮฺทำมาจากไข่มุก ถามว่าภรรยาทําอะไรหรือให้กําลังใจสามีนี่วันนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าภรรยาเราให้กําลังใจสามีทํางานศาสนาด้วยทํางานดุนยาด้วยเอาหาเงินก็แล้วกัน <c oughs> ก็บอกสามีทํางานศาสนาด้วยนะเป็นห่วงศาสนาด้วยลาซอคอบาในสวรรค์นเนี่ยไม่มีเสียง เสียงอึกกระทึกเสียงระเสียงรงแรงเสียงดุดุดดันดนไม่มีแล้วก็ไม่มีความลําบากไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแสดงว่าคนที่มีภรรยาภรรยาเอาใจสามีอัลลอฮฺพอใจยิ่งสามีสนใจศาสนาให้กําลังใจสามีอีกอัลลอวฮฺอัลลอฮฺฝากสลามนี่เล่าให้ฟังแล้วคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกัน ครอบครัวอื่นๆก็เหมือนกันอัลลอฮ์พอใจหมดเลยก่อนเมื่อให้นบีมาเป็นบุคคลตัวอย่างใช่ไหมล่ะเมื่อชมนบีชมครอบครัวนบีชมภรรยานาบีฉะนั้นใครที่เดินตามเนี่ยรูปรอยแบบนี้เนี่ยนะครอบครัวนั้นก็จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์สุบฮานาอูวดตาลาเช่นเดียวกัน <c oughs> ออต่อมาครับ นบีไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองปอออฟพี่น้อ ง, ออองคงจะได้ยินเรื่องนี้กันมาแล้วนะแต่ขอเล่ามาอีกครั้งหนึ่งว่าท่านนาบีเนี่ยถูกเยาะเยะ้ยถูกรังแกถูกกานแกล้งอย่างไรเพื่อจะอธิบายอายะกุงอ่านที่เราอ่านกันอยู่นี้แล้วว่าไม่มีรอสุนคนใดที่อัลลอฮ์ส่งมาที่จะทํางานศาสนาแบบสะดวกสะดวกสบายสบายไม่มีการถูกเยาะเย้ยนะไม่มีการถูกรังแกไม่มีการถูก ผูกทำลายร่างกายไม่มีครับเอามาดูฮะดิษนะท่านนาบีเนี่ยไปที่เมืองตออฟิฟมันมีญาติอยู่สามคนมีญาติอยู่สามคนสนิทกันนะญาติกันก็ต้องการที่จะไปขอร้องให้ญาติเนี่ยสนับสนุนหลังจากภรรยาเสียชีวิตคนให้กําลังใจไม่มีแล้วลุงเสียชีวิตคนให้กําลังใจไม่มีก็หาพวกนะ่ะอยากพวกเราวันนี้ก็มันต้องมีพวกใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มีจะมะเนี่ยนมามัยคนเดียวมันอร่อยได้ยังไงลนะ่ะมันก็นมามัยกันเยอะๆใช่ไหมแต่มัสยิดอัลลอ์มีบรารักัดชีวิตเนะน่น บ, บีไปนะตัวลงวัดชายสามคนนี่นะปฏิเสธมดเลยทั้งสามคนเอามาดูนะแต่ละคนแต่ละคนพูดว่ายังไงฟากอัลอาฮาดูฮุมคนหนึ่งจากพวกข่าวพูดว่าฮุวายัมรูตูเซียบัลกาบะ อิกานอัลลอฮฺอัสซัลลัมเขาจะฉีกผ้าคลุมกะบะเขาจะฉีกผ้าคลุมกะบะถ้าอัลลอฮฺส่งเจ้ามาเป็นรอซูลแรงไหมเนี่ยภาษาเนี่ ย, าายฉันจะไปฉีกผ้ากะาบะาเลยแต่หากว่าอัลลอฮฺเนี่ยส่งท่านมาเป็นรอซูลของอัลลอฮฺเนี่ยเยอะเยอยไหมเจ็บไหมเจ็บ อ๋ออาคุบัตฉันจะไปฉีกผ้ากาบาตอนนี้ผ้ากาบาหนะแพงน้อยเมื่อไรแต่พวกเราก็เอาตัดๆเอามาทำมาซื้อมัดกันเต็มไปหมดนะใช่ไหมถามว่าผ้ากาบาช่วยอะไรได้ไหมช่วยได้ไม่ได้หรอกเอ็มอชายว่าฉันจะฉีกผ้ากาบาถ้ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์นี่ภาษาคนที่หนึ่งเอาภาษาคนที่สอง ว่กอลลอัครอีกคนหนึ่งพูดว่าอาม่าว่าจะดัลลอหูอาฮัดันอัลสลามุรัยรักก์อีกคนหนึ่งพูดว่ า, ا أ อ, นนวาอัลล ะ, นะ์น่ะหาคนที่ดีกว่าท่านให้เป็นรซูลไม่ได้เลยไม่ได้แล้วหรืออัลล์ะนะ่ะหมดปัญญาแล้วหรือเอาคนอย่างท่านนี่มาเป็นรซูนะ่ะ คนดีกว่านี้ไม่มีแนละ้วหรืออัลลอฮฺอักบะตเจ็บแค่ไหนเนี่ยนี่ไงที่ว่าเราซูลถูกเย่ะเย้ยนีไ่ไงไหมพี่น้องแต่ละคนแต่ละคนพูดจาหนักๆหมดเลยนั่นสมัยพันสี่ร้อยปีนะไม่ใช่คนสมัยนี้นะแต่คนสมัยนี้พูดภาษาหนักกว่านี้อีก น, ะนั่นคนสมัยหนึ่งพันสี่ร้อยปืชายภาษาสิบนะโอ้อัลลอฮฺ หาคนที่ดีกว่าท่านให้เป็นรซูลไม่ได้แล้วหรืออีกคนหนึ่งคนสุดท้ายวาก้อลัสตาริสคนที่สามพูดว่าวัลลอฮฺขอสาบานต่ออลัลลอฮฺลาอุกัน ล, ลิมูกะอบับดันฉันอย่าให้ฉันพูดกับท่านอีกเลยลาอิงกุนตะรอสูลันมินอลอแต่หากท่านเนี่ยเป็นรซูลของอลัลลอฮฺจริงๆฉันไม่ขอพูดกับท่านอีกต่อไป พอตำแหน่งรอซูลทำตำแหน่งใหญ่แล้วเอาคนอย่างท่านเนี่ยมาเป็นรอซูลทำไมอโลนั่นไอ้แมเนี่ยไล่ด่านบีว่านบีถึงขนาดนี้แล้วเป็นยังไงรู้ไหมนบีบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อฉันไม่สนับสนุนฉันอยู่เฉยๆได้ไหมไม่ยอมอ่ะไปปลุกเนี่ยเดยกนมนมนมนมนมนมนมให้ลุกขึ้นมา ระหว่างที่นบีเดินเดินนะ่ะเดินทางนะ่ะเอาหินคว้างใส่นบีอัลลอฮฺอักบัตเอาหินขว้างา Akbar, าหินคว้าง น, างนาบีไปคนเดียวนะ่ะพอเดินออกมาพอถูกขว้างแล้วก็เลือดนี่มันไหลที่ขาเนี่ยเข้าไปที่รองเท้าอ่ะรองเท้าของท่านนาบีเจ็บไหมเจ็บครับนบีก็เพลียไปนั่งอยู่ที่โคนต้นอังุนต้นอังุนเนี่ยมันเป็นสวนของคนคริสเตียน แล้วก็มีไปนั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นเจ้าของสวนเนี่ยสงสารเห็นนบีนั่งอยู่ก็สงสารแล้วก็บอกเด็กคนชายชื่ออดดาสเด็กคนชายนะคนชายเนยเขาเรียกว่าทาตนะ่ะทาตุอดดาสนะ่ที่เป็นคริสเตียนคนหนึ่งนะ่บอกว่าให้เอาอะไรนะลูกองุ่น ไปให้มูฮัมมัดทานหน่อยอัดดาสก็ถือองุ่นไปพอไปถึงภาพเนี่ยไปยื่นให้เนี่ยนบีก็อ่านบิสมิลลาแล้วก็กินอัดดาสคนนี้นะเป็นคนคริสเตียนนะนะเป็นทาสนะกระบอกว่านี้ท่านพูดอะไรเนี่ย คนเมืองนี้นะเขาไม่พูดคำนี้หรอกคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยไม่พูดคำนี้หรอกฟอกอลาลูซูลลอสอัลลอฮมุสลัมอยูบิลัดอันตะคุณมาจากไหนอ่ะถามอัดดาสซึ่งเป็นทาสถึงคุณมาจากไหนเนี่ยยาอัดดาสวามาดีนุกะคุณนับถือาศาสนาอะไรและเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่านัสรอนีฉันเป็นชาวคริสเตียน ว่าอาณาโรยุลุนมินอาลีนีนาวีฉันเป็นคนมาจากเมืองนีนาวีแบบพูกเรามาจากน้องบอลมาจากคงนเกตมาจากหัวปาแอบแค่นี้ใช่ไหมละ่ะแต่ชื่อเมืองนีนาวีฟาก่อนแล้วเราสูรุลลอสโอรอลุซันลำนบีก็คุยงูมเมืองของคุณจังหวัดของคุณที่คนอยู่เนี่ยมีคนซนแหลอยู่คนหนึ่งมีคนดีอยู่คนหนึ่ง ชื่ออะไรชื่อยูนุสบินมัตตีมีนบียูนุสชื่อมัตตีบินมัตตีชื่อยูนุสฟะกอลละละหูอัดัส อ, อ, อาดาัอาดัสก็ถามนบีบอกว่าว่ามายุ่เดีิกมายูนุสท่านรู้ได้ยังไงว่ายูนุสจะอยู่ในเ ม, มืองนี้นบะียูนุสอยู่ในเมืองนี้น่ะรู้ได้ยังไงฟะกอลละระซูลุลอละนบีก็ตอบบอกว่า อาคยูนุสนะเป็นพี่ชายของฉัน <c oughs> กาณนาานาบียันเขาเป็นนบีไม่ใช่คนธรรมดาวาอาณานาบียุนฉันก็เป็นนบีด้วยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> อัดดากเนี่ยก้มลงกราบจูบจูบที่มือจูบที่เท้าจูบสรรพัฒเนี่ยเจ้าของสวนเห็นไม่พอใจ ไปจูบ ก, กันทาไมนะใช่ไหมเด็กคนนี้เพิ่งรู้ว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีของาาอัลลอฮ์สุบฮานาอูบะตาแล้วนบีสั่งอยู่คำหนึ่งนะ <c oughs> บอกอดาดัษช่วอารองเท้าของฉันให้ออกจากเท้าให้หน่อยถอดรองเท้าให้ฉันหน่อยเด็กคนนี้ก็ไปถอดรองเท้าให้ท่านนบีแล้วนบีสั่งอยู่คำหนึ่งนะประทับใจมากนะอยาให้เลือด ที่ติดรองเท้าฉันเนี่ยหยดใส่พื้นดินนะอย่าให้เลือดของฉันที่อยู่ในรองเท้านี่นะหยดลงบนพื้นดินตรงนี้นะทำไมถ้าหากว่าเลือดของนบีเนี่ยนะหยดลงบนพื้นดินตรงไหนตรงนั้นอัลลอฮฺอาดาบทันทีโอ้โหคํานี้ภาษานี่นะคนลุกนบีพูดจอยากให้เลือดเนี่ยหยดบนพื้นดินนะ ที่ตรงไหนก็ตามบริเวณนี้ทั้งหมดนะอลัลลอฮ์โกรธอลัลลอฮ์ไม่พอใจอลัลลอฮ์จะลงอาสาบลงมาทันทีเพื่อจะทําลายคนตรงนี้พอไปทําลายนาบีแก้มนบีใช่ไหมไอ้แค่ดาด้วยวาจาก็ว่าไปใช่ไหมนะแต่นี่เล่นแรงจนกระทั่งว่าให้เลือดนบีออกมาเนี่ยอลัลลอฮ์มันร้ายแรงมากนาบีสั่งว่าอย่าให้เลือดท้องฉันเนี่ย ลงมาถูกดินนะเดี๋ยวดินตรงนี้แหละอัลลอฮ์จะโกรธขนาดอัลลอฮ์ว่าไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมโกรธมากนะอัลลอฮ์ลงยิบริส ล, ลงมาเลยคืนวันนั้นอ่ะลงมาก็บอกว่าฉันนี่นะเป็นดูแลภูเขาทั้งหมดเนี่ยถ้าหากนาบีต้องการจะให้จัดทําลายคนตรงนี้นะฉันจะให้ภูเขาสองลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วก็คนตรงนี้ตายหมดเลยเอาไหม ให้บอกไม่เอานบีไม่เอาให้ไม่ไปน้องตั้งหลายถ้าเป็นเราเอาไหมถ้าเป็นเราถูกอย่างนี้นะเล่นงานอย่างนี้พวกเราก็ไม่แน่เอานะแต่นบีเนี่ยบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าหากว่าวันนี้คนรุ่นนี้ไม่เอาไม่มีปัญหาขอให้คนรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเขาหรือไม่ก็หลานของเขา ให้หันมารับนับถืออัลอิสลามอัลลอฮฺนะนั่นใช่ไ ห, ไหมความเมตตานี่นบีมุฮัมมัดเป็นคนที่มีใรนะใจอัลลอฮ์คุณอ่านว่าไงนะรุฮมาอูบัยนะฮุมนบีเป็นคนที่เมตตาคนสงสารคนนะแล้วก็จะไม่รุนแรงจะไม่แข็งกระด้างนาบีนะ่ะเรื่องส่วนตัวนบีให้อภัยคนหมดเลย เนี่ยต้องการจะอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าถ้าใครมีคนมาด่าเราตำหนิเราว่าละทำไมไม่ได้ยินผมชอบคุณเฉลิมเนี่ยถูกตำหนิเฉยว่าเฉยล้วเป็นไงสง่างามคนที่เอาสุนานต์บีมาใชา้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะถูกตำหนิจากชาวบ้านมีไหม น, นีเฉยๆใหายยาา้อบภบัยเขาไหมแล้วก็นบีขอถุอาว่าไงทำไมอัลลอฮุมักฟิตระฮุม โออัลลอฮ์อภัยยโทษให้พวกเขาด้วยฟาอินนาฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าการว่านาบีดูถูกนบีตําหนินบีเนี่ยเป็นคนยังไงอัลลอฮ์เอาโทษมน่ะพวกเขาไม่รู้ถ้าเขารู้นะจะหนาวพวกยังไงแต่ถ้ารู้นะจะหนาวอันนี่คุณเขาพวกเขาไม่รู้นบีเลยให้อาภัยกับคนเหล่านี้ทุกคนนะอา้าวพี่น้องครับนี่คือ นบีของเราถูกตําหนิอถูกตําหนิจากประชาชนฉะนั้นคนที่อยู่ในศาสนานี้ทุกคนจะต้องถูกตําหนิถูกเยาะเย้ยเย่อหยันครอบครัวเราก็เหมือนกันบางทีภรรยายังไม่มาเรามาก่อนก็ถูกตําหนิเหมือนกันกินข้าวโซราต์แตว่ากลับมาทําไมล่ะไปสุราต์กันจังกินโซราต์เห็นไหมก็มีให้พูดเข้าหูบ้างเ ล, เล็กๆน้อยๆ อย่างนี้เป็นต้นนันก็ต้องให้เอาภาัยนะอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอายาที่สิบสองมีนในทานองนั้นในทานองเดียวกันนี่แหละเราได้ทำให้การเยยหยันนี่นะ การเยียยาการดูถูกการหัวเราะเยาะการรังแกเนี่ยนะเป็นสันดานเข้าไปอยู่ในหัวใจกูดฟีกูลูเข้าไปอยู่ในหัวใจของใครครับอัลมุจริมีนของผู้ทำผิดทุกคนอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่ามุสลนะิมน่ะคือใครก็ ค, คือคนกาเฟตคนมุสริกคนที่ห่างศาสนาเนี่ยเรียกว่าคนผิดทั้งหมดเห็นอย่าง เฉพาะภาษาอย่างเดียวนี่ก็ขนลุกแล้วคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยจะเป็นกลุ่มมุชริกีนกลุ่มกาเฟรินคนตั้งภาคีคนมุชริกคนไม่เอาศาสนาแม้จะมุสลิมที่ดูถูกศาสนาตัวเองวันนี้มีไหมมีเยอะไม่เอาศาสนาเลยชื่อไอ้มัดไอมุดไอมินนั่นแหละนะแต่ว่าศาสนาไม่เอาไปน้องคนเหล่านี้นะ อัลลอฮฺจะบรรจุความอะไรนะความเยื่ยหยันความรังเกียจการดูถูกเยอ่หยันลงไปในหัวใจเลยของใครนะของคนที่ผิดทั้งหลายฉะนั้นเราต้องขอดุอาต่ออัลลองานนี้งานงานงานอันยิ่งใหญ่นะเราต้องขอดุอาต่ออัลลอให้อัลลอฮนี่ประทานอีมาน แทนการเยอะเยยดูถูกเอาลอมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นนะคนไว้คราวก็ถูกเยอะเย้ยใช่ไหมน่ะเอาไว้คราวยาวยากว่าถูกเยอะเยยมุสลิมคุมพิยากว่าถูกเยอะเยยสาวรพัฒนกันหมดเลยอแม้จะอะไรน่ะเด็กมุสลิมาน่ะจังงน้องนองจอกใช่ไหมก็ถูกเยอะเย้ยคุมพิยาวเนี่ยใช่ไหน่ะถ้าว่าจะเรื่องอย่างเงี้ ไม่หมดไปจากโลกดุนยาหรอกเราต้องถ้าเข้าใจอ่านกูอ่านออกกาซาลิกา纳สลูกูฮูฟีกูลูบิลมูเดริมีนในทํานองเดียวกันนี่แหละเราก็ได้ทำให้การเยอะเย้ยเยยหยันเป็นสันดานเข้าไปในหัวใจของผู้ผิดทั้งหลายโอ้โหตัวระวังงานนี่ถึงวันกิยามัดไหมถึงวันกิยามัดครับถูกเยอะเย้ยยยหยันถึงวันกิยามัด ตัวเราเองก็เหมือนกันเราต้องอธิบายให้ลูกเราฟังลูกนาะการมีศาสนาอนะัลลอฮ์รักแต่อย่าลืมคนริมริมข้างๆเนี่ยเขาจะดูถูกเยียดยามเป็นของธรรมดานะครับเอาต่อมาครับคำว่าเยียดยามเนี่ยนะไม่จะเยียดยามบุคคลนะเยียดยามบุคคลด้วย สองเหยียดหยามอัลกุรอานด้วยนะคําว่าเหยียดหยามเนี่ยรวมไปหมดเลยนะเหยียดหยามสุนนะของท่านนาบีด้วยอ้าวฉะนั้นคนที่ถือสุนนะเยอะๆก็ถูกเหยียดหยามกุรอานก็ถูกเหยียดหยามแล้วก็ตัวบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามก็ถูกเหยียดหยามจากผู้คนด้วยเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องต้องนึกนะต้องนึกสุนนะของท่านนาบีนี่ถูกเหยียดหยามไม่ได้ เราจะเหยียดหยามสุ น, น้านนบีไม่ได้ผมเคยยกตัวอย่างจำได้ไหมล่ะมีชายคนหนึ่งตอนหน้าท่านนาบีกินอาหารมืออะไรนะมือท้ายตอนหน้าท่านนาบีนบีก็บอกว่าคุณเปลี่ยนมือสิมากินมือมือจะกินกินด้วยมือขวาเดี๋ยวนี้และชายคนนี้ตอบว่าไงตอบเป็นการปฏิเสธใช่ไหมดูถูกเหยียดหยามใช่ไหม ฉันกินมือขวาไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ปั๊บนบีบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปคุณกินมือขวาไม่ได้เลยนะยกก็ไม่ได้ยกมือขวาถึงปาก็ยกไม่ได้เห็นยังอะ่ะนี่นะอิสติซะดูถูกเยียดหยามอะไรนะคำพูดของท่านนบีนัานต้องให้เกียรติท่านนบีเลยท่าน น, นบีตอนนี้นอนอยู่ที่ไหนนะ ที่มาดีนะใช่ไหมนะ่ะมีศพอยู่สามศพด้วยกันใช่ไหมนะ่ะถามว่าศพนบีแผ่นดินกินไหมไม่กินครับนี่อัลลอฮ์รักษาไว้ท่านคนที่สุลลวาด้วยกับท่านนาบีวันนี้นะ่ะเราสุลลัวาด้วยท่านนาบีเพราะอัลลอฮ์สั่งอียาไอิวัลละดีนาอามานูซัลลูอลัยฮิวัสลิมูตัสลีมาจงสุลลวาดตวยท่านนาบีอัลลอฮ์ะจะให้มลายิกาเนี่ยกลุ่มหนึ่งคอย เอาคำสโลวาตของเราเนี่ยไปให้วิญญาณของท่านนาบีเลยแล้วก็อัลลอ์ก็จะสรรเสริญกลับมาสิบครั้งเห็นไหมอย่างมีเป็นต้นนี่มันเรื่องจริงทั้งหมดฉะนั้นอย่าดูถูกเยอะเย้ะเลยนะครับสุนนาของท่านนาบีฉะนั้นพี่น้องต้องนึกนะเราเนี่ยจะมีบารากัมากมากนะถ้าเอาสุนนาของท่านนาบีมากำกับชีวิตเช่นจะเข้ามัสยิดเานึกนึกเท้าหนเท่าไหน เท้าวขวาพร้อมกับดูอาตอนจะออกเท้าซ้ายพร้อมกับดูอาจะเข้าห้องน้ํานึกโอโอ่ อ, อเอาเท้าซ้ายให้อ่านดูอาก่อนเข้าอย่าไปอ่านดูอาข้างในอ่ะบางคนก็ลืมอ่านไปอ่านอัลลอฮฺฮุมะอินนี่เอาอู้ดีการมินัลโคบูเซวาลกอบาอิย่าอ่านดูอาในห้องน้ําให้อ่านดูอาข้างนอกอุลมามะก็แนะนําบอกว่าถ้าลืมให้อ่าน ที่ไหนในใจให้อ่านในใจอย่างดีเป็นต้นอย่าดูถูกสุนนะของท่านนบีพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็เอาสุนนะนบีนั้นมากากับชีวิตนะครับต่อมากับอายาที่เท่าไหร่นะที่สิบสามและยุมินูนนบีว่าก็ได้ขอละสุนตุลอาวุลีนพวกเขาไม่ศรัทธา ลายุมีนูนะบีพวกเขาไม่ศรัทธาในอัลกุรอานอย่าลืมนะกุรอานนี่อัลลอฮ์ดูแลรักษาใช่ไหมถึงวันกิยามัดใช่ไหมใช่คําว่ารักษากุรอานเนี่ยรักษาสุนนะท่านนาบีด้วยรักษาคนด้วยนะอัลลอฮ์เนี่ยฮาฟิรูรักษากุรอานรักษาคนรักษาสุนนะท่านนาบีจนกระทั่งถึงวันกิยามัดนะครับอัลลอฮ์ก็เล่าบอกว่า คนที่เป็นมุจริมเนี่ยคนที่มีความผิดทั้งหลายนีย่ลายูมีนูนบีพวกเขาจะไม่ศรัทธาในอัลกุรอานว่าก่อข้อละแม้แต่ตัวอย่างสุนนะแปลว่าตัวอย่าง อ, อัลอาววิลินของประชาชนในอดีตบุคคลตัวอย่างในอดีตนะครับได้ล่วงลบไปแล้ว อธิบายยังไงก็คอลัดอธิบายอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วให้เห็นแล้วคนที่ไม่เอานาบีในยุคแต่ละนาบีนาบีที่ผ่านมาเอาเช่นนาบีอะไรนาบีมูซาคนที่ขวางนาบีมูซาเป็นไงถูกอัลลอฮ์ลงโทษไปแล้วคนไม่เอานาบีนัวเป็นยังไงจมน้มตายไปหมดแล้ว นบีที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดทั้งหมดนั้นที่ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเป็นไงครับถูกทําลายหมดแล้วแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษคนในยุคก่อนเนี่ยนะอัลลอฮ์เมตตาก่อนนะทรงนบีมาก่อนไม่ใช่ลงโทษเลยนะทรงนบีมาสอนก่อน นบีมูซามาสอนกี่วันไม่ใช่เอาวันสองวันมาเป็นสิบสิบ ป, ปียี่สิบ ป, ปีอ่ะเอาส่งนบีนวนมาสอนกี่ปีเอเก้าร้อยห้าสิบปีหไหมสั้นหรือยาวอ่ะเก้าร้อยห้าสิบปีนะมาสอนศาสนานะ่ะกว่าอัลลอ์จะลงโทษนะอัลลอเก้าร้อยห้าสิบปี <c oughs> ได้เท่าไหร่ ก็เท่าที่เราอ่านกันพบที่ได้ยินกันบรรยายกันมาเยอะแล้วเนี่ยไม่แปดสิบคนอัลลอฮฺอักบะดเห็นหรื อ, อยังหลายคนที่ตายที่จมนาำตายอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะตายไปแล้ววันนี้ถูกลงโทษไหมถูกลงโทษจากอัลลอเลยยกตัวอย่างใครถูกลงโทษฟาโรห์ฟิโรห์น่ะถูกลงโทษนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเดินผ่านกูโบกูโบก็ถูกลงโทษเนี่ยแต่เราไม่รู้ ก็ขอเล่าอีกนิดหนึ่งเพื่อเป็นการให้อีหมายมันเพิ่มมานะนบีขีขี่ล่อขีลาเนี่ยไปกับสวาบาเยอะไปหมดน่ะไปกันเจ็ดแปคนสิบกว่าคนเนี่ยเดิ น, เ ด, นเดินไปเนี่ยกลางทะเลทรายเนี่ยพอนบีไปเนี่ยลาเนี่ยมันกระโจนนะ่ะล่อมันกระโจนทมกระโจนทําไมตกใจนบีถามว่าหยุดหยุดหยุดหยุดยุดยุด ลองเช็คดูซิแถวนี้นะ่ะมีกูโบบางไม่อ๋อเหรอเห้ไหมน บ, บีรู้แหลพะพอเช็คดูก็มีกูโบน บ, บีถามว่าใครรู้บ้างที่มา ก, กับฉันนี่ว่ากูโบนี่ก็ฝังเมื่อไร่คําตอบก็คือมีชายอยู่คนหนึ่งบอกว่ามีคนตายฝังเอาไว้ในช่วงที่เขายังไม่ได้เป็นมุสลิมในสภาพที่เขาตายเป็นมุชริกะ เป็นกาเฟสนะเขาตายแล้วก็นบีก็บอกว่าถ้าหากฉันไม่กลัวพวกคุณไม่กล้าฝังไมยดฉันอยากจะขอดุอาต่อร์ให้พวกท่านที่มากับฉันนั้นเห็นการลงโทษอยากก่างกที่ฉันได้ยินการลงโทษของชายคนนี้นบีไม่กล้าขอดุอากลัวพวกสหบาลนาบีจะไม่กล้าฝังไมยด พอฝังไปแลว้วถูกเล่นงานอย่างนี้ใช่มนะ่ะนั่นแสดงว่าตายแล้วไม่ใช่ตายเลยนะตายแล้วถูกทรมานในสุสานด้วยทำไมเราต้องพูดเรื่องชีวิตหลังตายมากๆนะ่ะเพราะมันเป็นภาพที่อธิบายด้วยสายตาไม่ได้มันเป็นภาพที่มองไม่เห็นนะ่ะเขาเรียกว่าอินมุลเลฟใช่มน่ะความรู้ที่เร้นรับมันเกินความสติปัญญาของมนุษย์จะคิดได้นะ่ะดันั้นต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุภาอูนอัลละ ฉะนั้นคำพูดของนบีแต่ละคำแต่ละคานั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะนบีไม่พูดด้วยอะไรนะวามายันติกุอานนลฮาวานาบีไม่พูดโดยอารมณ์อินหุวาอิลล่าวะฮยูยูฮาสิ่งที่นบีสอนออกไปจะเป็นหะดิสก็ดีดหือรุลอาญก็ดีเป็นไีทั้งหมดฉะนั้นต้องเชื่อนะครับฉะนั้นชีวิตในสุสานนี่นะ เป็นชีวิตแรกของอาลัมบัตรักของโลกอาคิโรทั้นคนที่อยู่ในอาลัมบัตรักนี่นะถ้าเขาปลอดภัยนะเขาปลอดภัยเลยถึงวันฟื้นคืนชีพนูเลยแต่ถ้าใครถูกทรมานตั้งแต่อาดับกูโบไปเรื่อยนะข้างหน้านั้นหนักกว่าอาดับในกูโบอีกหนักมากเลยฉะนั้นต้องมีศาสนาอืม ไม่มีอย่างอื่นนะครับมีาศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่อัลลอฮ์จะคุ้มครองเรานะลายูมีนูนะบีพวกเขาไม่ศรัทธาในอัลกุรอานไม่ศรัทธาในสุนนะนบีไม่ศรัทธาไม่เชื่อดูถูกเยอะๆสุนนะนบีวกดอดอคอรัตซุนนะตุลอววาลีแม่แต่ตัวอย่าง ของประชาชนในอดีตได้ล่วงรับไปแล้วได้เกิดขึ้นมาแล้วให้เห็นแล้วความพินาศเป็นอย่างไรแล้วก็ตามพวกนี้ก็ยังไม่เชื่ออีกเหมือนกันดันั้นหน้าที่ของพวกเราวันนี้นำเอาเรื่องเก่าๆนำเอาเรื่องประวัติของนบีรุ่นเก่าๆมาอธิบายให้คนรุ่นใหม่ฟังจะรอโมจิษตแบบนบีมูฮัมมัดอีกนะอลัลลอฮ์ไม่ส่งโมจิษตมาแล้ว ท่า น, นคนที่จะสอนศาสนาในวันนี้ต้องจําประวัติอจําประวัติของบรรดา น, นาัลกรอานรุ่นเก่าๆแล้วนําเอามาสอนเด็กรุ่นใหม่และอินชาอัลลอฮฺเด็กรุ่นใหม่ก็จะอีหม่านจะศรัทธาใช่ไหมครัจะรอให้หมุฮัมมัีสานแบบนบัลกมาอีกมาไหมหมุฮมมัดีสานไม่มาแล้วจาน้มไหลออกจากมือของท่านนาัลกเนะี่ยไม่มาอีกแล้วจะพาเดือนอีกไม่มาแล้ว เอาเรื่องเก่าๆนั่นเล่าให้ทันพ่อแม่ต้องอา่านหนังสือเยอะๆในงานนี้นะโอเค <c oughs> เลาต่อไปขออธิบายนิดนึงนะยาดูถูกซอฮาบานาบีอ่ายาดูถูกซอฮาบานาบีอิสติอะเนี่ยรวมไปถึงซอฮาบานาบีด้วยนะในคัมภีร์คุณอ่านอธิบายอย่างงี้ว่อิดะกีลาลาฮุม อันจำใช่ไหมว่อิากีลละหุมอาเมนกามะอามนันัสวลูอนุมนกามอามนัสุฟะฮสุฟะฮี่ปลว่ะคนโว่าอิดาตีละละหุมขออธิบายเพิ่มนะเมื่อมีคนหนึ่งคนใดพูดหรือสอนเขาบอกว่าอามมนูพวกท่านทั้งหลายเนี่ย จงมีอีมานทําตัวเป็นคนมีอีมานเหมือนใครอามานานาสเหมือนกับสหาบยอันนาสืหมายถึงกลุ่มสหายท่านอบบบาครท่านอุมะท่านอุสมานท่านอาลีสีท่านและคนอื่นๆ อ, อ, อีกที่เป็นคนดีๆอย่างน้อยก็อะไรน ะ, ะสิบคนที่เป็นชาวสวรรค์ที่นบีพูดเอาไว้รับรองไว้ใช่ไหม อาชราบูบัชีรีเนี่ยและคนอื่นๆอีกนี่นะถ้าหากมีคนมาเตือนเราบอกว่าให้เรามี إ ي م านเหมือนกับคนที่มี إ ي م านในสมัยท่านนาบีคือบรรดาสฮาบะก็ลูคนที่ต่อต้านก็จะพูดว่าอนุมินูกามาอามานสุฟฮาจะให้พวกเรานะ่ี إيمان เหมือนกับคนโง่โงเขา إ ي م านกันนั่นหรือ เห็นไหมตกลงว่าคนที่อิหมานตัวท่านนบีในยุคนบีเนี่ยเรียกว่าเป็นคนโง่นี่ไงเป็นน้องก็ต่อต้านไงก็ต่อต้านแบบนี้อัลลอฮ์ก็เล่านะครับนอัลกุรอานพวกคุณอย่าอย่าพูดอย่างนี้นะท่นคนที่พูดว่าซาบ้านนบีเป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนโง่อลาอินนาหุมฮูมุสูฟาฮ์อลาปว่าจงรู้ไปเถิด อินนาหุมพวกคุณทหารอะหุมุสอฟาคนที่ต่อต้านสุนนนาบีคนที่ต่อต้านสัฮาบานาหา ก, หากะเป็นคนโง่เห็นไหมพี่้องนี่กูอ่านนี่พี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกอย่ายะ่อะเยอ้ยสัฮาบานาบีฉะนั้นถ้าสัฮาบานาบีไม่มีเนี่ยพวกเราไม่รู้เลยนะว่าจะปฏิ บ, บัติศาสนาอย่างไร กุรอานที่ลงมาลงมาในยุคของซอบานอับีนะิน่ะกี่ปียี่สิบสามปีสองแห่งทิมักกะกับที่นครมาดีนะมาแก้ปัญหาของมนุษย์ในวันนั้นเรื่องของมนุษย์ในวันนั้นกับวันนี้นะ่เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเป็นประวัติที่ซ้ำรอยอยู่ตลอดเวลาอ่ะขอยกตัวอย่าง <c oughs> สมัยอาบนะีในเวลามีคนยากันนะสามีภรรยาทะเลาะกันเนี <c> ่ย <oughs> สามีก็พูดฉันยาเธอห้าตอนแล้วบางทีก็พูดฉันยาเธอร้อยหนึ่ง mm. ก็ พ, พ, กพราพกระเพราเหานี้แหละ mm. ก็ไปหานาบีนบีตัดสินยังไง ร, รึเป่าตกหนึ่งนบีอนะ่ะบริหารนะ่ะบริหารราชการนะดูแลคนเนี่ยนะจะทะเลาะ ก, กันภรรยาสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันแค่ไหนก็ตามอย่ากันร้อยหนึ่งห้าสิบหรือสี่หรือห้าก็ตามตกหนึ่ง ท่านอบูบกัดรอดิยอลล่อนเป็นคอลีฟะรับผิดชอบรองลงมาจากนาบีเสียชีวิตไปแล้วอีกสองปีครึ่งสามีภรรยาทะเลาะกันมาอยากันมามาหาท่านทางตะกนึงไซดีนาอุมัรรับผิดชอบเป็นคอลีฟะหลังจากท่านอบูบกัเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะรับผิดชอบประมาณจะลายสิบปี ท่านเอากฎหมายของท่านอบูบากาของท่านนาบีเนี่ยประมาณสองปีนะใครที่ทะเลาะกันมายาสี่ครั้งห้าครั้งท่านบอกให้ตกหนึงงน่งตกหนึงงน่งตกหนึง่งพอต่อต่อมามันยากันเยอะขึ้นนะ <t ap and laugh> อ่ะยากันเยอะขึ้นยาเท่าไหราย่ยาสามตกสามกา <t ap learn> รดัดสันดานปากพล่อยพูดไม่รู้เรื่องอนะ่ะเห็นไหมเพื่อน้อง ฉะนั้นน่ยบุคคลหล่านี้ก็ดูถูกก็ได้ไหมดูถูกไม่ได้เอาวันนี้เหมือนกันอ่ะสามนิงพระยาทะเลาะกันพอยากันดีเสร็จแล้วก็จะอยากอยากจะคืนดีนะ่ะพูดไปแล้วสามไปหาตัอีมางเต็มาว่าสามเอ๊หาทักออกไปหาภูมิสุน่าเสียสุน่าว่ายังไงารอสุนา่าอ า, อนาอาคิกถึงดาวีอาเอ า, เอาหนึ่ง นี่หายไปนอก อ, อย่างนี้แหละฉะนั้นพวกเราวันนี้ตรงเรียนศาสนาอย่าใช้อารมณ์ใช่ไหมที่คุพูดแต่ตอนต้นว่าอารมณ์นี่พาเราตกนรกนะฉะนั้นฟังนึกก่อนอย่าใช้อารมณ์ต้องให้อภาาัยต้องเมตตาต้องสงสารฉะนั้นวันนี้กลุ่มสุนนะเขาไว้แก้ปัญหาชาวบ้านเนะี่ยใครจะรอด ก, กันสามตระล่างเลยมาหาบุคคลนาใหม่หมดแล้วว่าไงาอาจารย์อาจารย์คนใหญ่เจอตําราอันนึงนึงนึง ดีใจนาดูลเอาต่อไปครับอายาที่สิบสว่าฟ้าัน้น ع ل ي ه บาบัมนสมาฟลฟียรูจูนว่าฟ้น์นนี่อธิบายเรื่องการเดินทางสู่อวกาศเนี่ยอายานี้นะ เรื่องเดินทางสู่อวกาศไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องหนึ่งพันสี่ร้อยปีแล้วอ้าวคนที่ขึ้นอวกาศเปคนแรกนะใครไม่ใช่อามสตองนะใครนบีมุฮัมมัดสลลดนะุลลัลธนามใช่ไหมขึ้นเมรอะซะละอัลลอฮฺอวกาศแล้วพวกเราวันนี้ก็พูดกันนกักกแหนคนที่เป็นสุนนะนะะดูถูกสุนนะนบี พูดเรื่องซูนน่ากันจังอ่ะทําไมไม่ขี่อูดไปทําพัดละ่ะเพราะอนบีก็ขี่อูดจากมะ ก, กามามา ด, ดินาใช่ไหมจากมา ด, ดินามาแตาไม่ขี่อูดตามอันบีละ่ะอา้าวที่นบีขึ้นเมรอดจนไม่คุยบงังคะขึ้นทางบนนะขึ้นเมรอดนะ่ะชั้นฟาชั้นที่เจ็ดนะช้อูดที่ไหนอ่ะช้บุรอกด้วยอ่ะมยิ่งวิญญาณอาวากาดีกว่าใช่ไหม ฉะนั้นมันเรื่องในอิสลามมองโอโหยานกวาการมันของธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหม่มันเรื่องเก่าสำหรับผู้ที่อีมานต่ออกเอะมาดูตรงนี้ว่าเราฟัตฮนาอะเลอิมและถ้าหากเราอัลลอ์ได้เปิดประตูฟัตฮ่าแปลว่าเปิดถ้าอัลลอ์เนี่ยนได้เปิดประตูบาบันแปลว่าประตูนะครับแห่งทองฟ้ามินัสมา แห่งท้องฟ้านะครับเพื่อความเมตตาของพวกเขานะครับอาไลเฮมที่อัลลอฮเปิดประตูแห่งชานฟ้าเนี่ยเพื่อความเมตตานะให้ไปศึกษาหาความรู้บนทิ้งในท้องฟ้าเต็มไปหมดเนี่ยฟาซอลูฟิยาลุยูนแล้วพวกเขาขึ้นไปเรื่อยๆตลอดทั้งวัน ยะรูยูนแปลว่าขึ้นไปฟซอนรูนแปลว่าขึ้นไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันถามว่าพวกนี้อีหมานต่ออลัลลอฮ์หมมันก็ไม่อีหมานกำขึ้นเป็นเท่าไรแล้วเนะี่ยไอ้ขึ้นไปนะมันจะขึ้นลึกนะอลัลลอฮ์ขึ้นไปนิดเดียวตรงนี้เองดวงจันทร์แค่นี้ทำไกลเหรอไม่ได้ไกลอะดุนยาสามาอิดดุนยา แปลว่าทองฟ้าแข่งโลกดุนยาใกล้ๆตรงนี้มาใจไกลนะนะพอขึ้นไปแล้วอาวจีนก็ขึ้นรัสเซียก็ขึ้นอเมริกาก็ขึ้นมีใครมาง้งไขึ้นไปแล้วมันลงมารับอิสลามกันหมดเลยมีเปล่า <c oughs> ไม่มีเลยสักคนนึงมีแต่แอนตี้แอนตี้แอนตี้แอนตี้นบีขึ้นไปข้างบนขึ้นมาราส อ, อัลลอ์เห็นอะไรเต็มไปหมดเลย นบีเห็นไม่หมดเห็นคนขาดนามาตเป็นอย่างนี้คนทําดีนาทําอย่างงี้คนกกงตอแหลทําอย่างนี้คนลักขโมยเป็นอย่างนี้เห็นหมดเลยนะเนี่ยพอกลับมาเนี่ยอีมานโอลโลกับก่อนขึ้นนบีเสียใจใครเสียนะภรรยาตายแล้วก็ลุงเสียชีวิตสองคนนี้นบีก็กุ้มใจไปถึงเมืองตออิฟถูกเล่นงานมาอีกพอขึ้นเมอยรอนกลับมา หายหมดเลยไปเห็นนะ่ะอะไรอะไรบนท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ่ะนี่อัลลอฮ์เล่าว่าว่าถ้าเราเปิดท้องฟ้าให้มนุษย์เนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะหาความรู้เพิ่มเติมมากมายขนาดไหนก็าตามพวกนี้จะไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีมานต่อรอซูลไม่อีมานต่อสุนนะของนบีม u h a ม m a d saw ลอกประศรัทธาเอาต่อมาครับ พอขึ้นไปแล้วนะ่ะเป็นไงใช่ไหมอายะสุดท้ายแล้วก็รู้แน่นอนอินนามาสุกิรถอบโซรุนาแน่นอนแม้จะได้รับความรู้อีกมากมายในอวกาศก็รู้พวกเขาก็จะพูดว่าอินนามาสุกิรถ แท้จริงสายตาอบบซอรุนาแปลว่าสายตาอินนามะสุกิรตอบบซอรุนาแท้จริงสายตาสุกิรตแปลว่าถูกปิดหรือวันลายไปแล้วขึ้นไปข้างบนน่ะสายตาเห็น อ, อะไรตอะไรเยอะไปหมดลายไปหมดเลยงงมึนมึนม่นมืนมึน่นพอขึ้นไปแล้วมันมื่นสายตาถูกถูกปิดจะมีเป็นต้น พระธรรบนทองฟ้าเนี่ยมีความรู้เยอะไปหมดเลยเราไม่รู้จนไี้พวกอเมริกาเนี่ยเยาหูดีแล้วมันอ่านคูนอ่านนี่อ่านคูนอานมันก็ขึ้นไปข้างบนไปเหยียบบนดวงจันทร์บ้างอะไรบ้างเหยียบจริงหรือเปล่าดวงจันทร์เนี่ยบางคนก็บอกไม่จริงแล้วบางคนว่าจริงเอาละท้าวามันจริงอนะนะได้อะไรบ้างลงมาก็ไม่ได้อะไรเลยอิมานเพิ่มไหมไม่ได้เพิ่ม อ้าวแต่นี้มีเรื่องเล่าว่าจริงป่าว่าอามอามอามสตองรับอิสลามมีเรื่องเขาเล่ากันนะบอกว่าอามสตองเห็นเห็นเป็นลำแสงขึ้นไปจากนี่จากโลกดุนยาไปนี่ถามว่ามันเป็นแสงไฟขึ้นไปตรงไหนเช็คดูสินครมักกะจากใบตุ่นรอดเนี่ยขึ้นเป็นลำแสงมานั่นเขาเล่านะจริงเท็ยจยังไงไม่ทราบ อามสตรองกลับมาก็ลงมาก็มารับอิสลามทำเดลิเลอร์ใช่ไหมแต่อีคนที่ขึ้นคือขึ้นขึ้นไปนะเป็นไงถูกไหมก็ไม่มีอะไรแต่มันไม่นจะขึ้นไกลขึ้นแค่นี้เองใช่ไหมกลไปศึกษาโน่อนอ่ะดวงดาวต่างๆของอัลลอฮ์บนท้องฟ้าเต็มไปหมดเล่ไปไหนแต่อันนั้นมันเกินความสามารถของมนุษย์ก็ได้แค่นี้แหละใช่ไหมก็อวดๆกันแข่งกันว่าใครจะมีอํานาจมากกว่ากันจะได้เป็นปกครองโลกเพื่อหันหลงวัตถุ ก, กันเท่านั้นแหละ แต่ไม่ใช่มีอะไรกับอีมองอีมานก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องเอาอายาสุดท้ายเราก็ลูอินมาสุกิรอดอาบุอรุณาแน่นอนเราจะแม้เราจะแม้พวกเขาจะได้รับความรู้อีกมากมายในอวกาศแต่โดยจิตใจที่ไม่ยอมศรัทธานี่นะพวกเขาก็จะกล่าวว่าไงนะ อินนามะสุกิรตอบซอุนะแท้จริงสายตาลายไปหมดแล้วสายตาถูกปิดแล้วบัลนะหนุกาวมมัสฮูรูนหาใช่เช่นนั้นไหมเราเป็นกลุ่มชนที่อะไรนะมัสฮูรูนถูกอะไรนะมันจะเหลือมถูกอะไร ถูกปิด<า>อ่ า, า, านนอใช่พอเวลามันอธิบายอะไรไม่ได้ก็บอกถูกเวทมนตร์คาถาเล่นงานพอขึ้นไปขึ้นไปได้อะไรมาจังเยอะเยอะอธิบายอะไรไม่ถูกครับเพราะใจไม่มีอม م านต่อ Allah ถ้ามีอิมานต่ออัลลอฮ์แล้วก็อธิบายได้อ่ะอย่างนาบีมุฮัมมัดนะขึ้นไปยังมะยิดบรินพาไปกลับมาอธิบายได้หมดเลยเต้นไปหมดเลยแต่พวกนี้ขึ้นไปคือมาตรงนี้อ่ะนะอธิบายอะไรไม่ถูกอัลลอฮ์ปิดปิดกัน้นสายตาตัวเองเราถูกเวทมนตร์คาถาเนี่ยรอตอลาเล่าเรื่องในใจของคนกาเฟทที่ไม่เอาศาสนานะครับ a l h a m d u l ลล l a h เดี๋ยวอายาสูตอายาต่อไปน่ยอายาที่สิหกพูดเรื่องชั้นฟ้าพูดเรื่องดาวบูรูษพูดอะไรนะไอ้ดาวดาวตกเนี่ยดาวตกลงมาทําไมอัลลอฮ์ให้ดาวตกมาทําไมแล้ะชายตอนขึ้นบนชั้นฟ้าเนี่ยขึ้นไปทําไมเดี๋ยวนี้ขึ้นไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยชายตอนขึ้นไปแอบฟังแอบฟังอะไรนะเวลาอัลลอฮ์าวาฮีให้กับมาลาิกา มาเลกาก็คุยกันมาไซต์ตอนก็แอบฟังพอแอบฟังก็ได้เอาเรื่องราวเรล็กน้อยๆเนี่ยมาหาพวกหมอดูข้างล่างพวกหมอดูก็ทํานายทายทักโอ้นั่นไหนไหมเนี่ยฉะนั้นในอิสลมามบอกว่าเรื่องหมอดูอย่าไปเชื่อเรื่องตอแล้วเรื่องโกหกทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านอ่านอัานคุณอ่านอิชชาลลัลได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเอาแล้วสรุปง่ายๆก็คือว่า ความจริงนะว่าอิสลามจะดียังไงในอัลกุรอานอธิบายอย่างนี้วลตาอัลม al ah ุนนานบาฮูบะดาฮินและผู้อ่านกุรอานจะรู้เรื่องราวความจริงของอิสลามอย่างแน่นอนหลังจากชั่วเวลาหนึ่งรอไปอีกนิดหนึ่งจะเห็นว่าอิสลามนั้นเป็นาศาสนาที่แท้จริงตอ น, นัหนรู้ไหมหลังตายตอนนี้อธิบายเท่าไหร่ คนที่ฉลาดก็เข้าใจคนไม่เอาศาสนาไม่มีโอกาสได้เข้าใจศาสนาเลยแต่จะเข้าใจจริงๆก็หลังตายไปเห็นด้วยตาจริงๆเนเห็นมาลาอิกาจริงๆโ อ, โอ้โหเห็นการลงโทษในกูโบรจริงๆเห็นงูมาจริงๆเห็นแมลงป่องมาจริงๆอย่าลืมนมะแมลงป่องดุนยากับแมลงป่องอาคิริล์ตางกันนะ แมลงป่องดุญญนยาเนี่ยมาแค่ตัวสองตัวเนะี่ยเราก็ยังผวาใช่ไหะไอ้นี่มันใต้ดินนะอย่าลืมนะอาคือร้อนอะ่ะอัลลอฮฺให้ดุนยาแค่หนึ่งส่วนนะดุญญ น, ลลา น, นนะย า, าเนี่ยอัลลอฮใหนนญญ้แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แอ่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แแค่แส่วนอีก่แค่แค่แค่แค่แค่แค่แค่อค่แค่แค่แค่ ดันแมลงปองหนึ่งตัวอลัลลอฮ์ให้กับแลงปองอีกเก้าสิบเก้าตัวอยู่ในกุโบฉันก็ต้องนึกนะอย่านึกแต่ความความเมตตาอย่างเดียวแหละเอาเมตตาเอาลูกแม่อุ้มลูกให้นมลูกกอดลูกรัดลูกเมตตาเท่าไรหนึ่งส่วนอีกเก้าสิบเก้าส่วนอัลลอฮ์อัอลลอฮ์จะมอบให้กับคนดีๆหลังตายนะอีกเก้าสบเ้าส่วนเรื่องไม่ดีก็เหมือนกัน งูหนึ่งตัวบนดุนยากับงูอีก99ตัวอยู่ในกูโบะม่ต้องนึกโอนาะอุบิลลาฮิมินซาลิขัะนั้นชาชีวิตตามอัลกุรอานตามที่ท่านนาบีไนดะ้ให้ตัวอย่างเอาไว้ดีกว่านะครับมีปัญหาถามไหครับคุณเฉลิมมีไหมมีครับรับเชิญครับ ความรู้สึกที่มีสติปัญญาทันยาเธอด้วยสามตลกักขึ้นแน่นอ น, น, นาาาต้อประวัติเราต้องขับเกิดอใจของเข า, าโอ้แต่หาคนที่ยาสามตกสามน่ะเขาไม่มาหาตัวครูแล้วไปเลย <c oughs> ไอคนที่ยาสามยกหนึ่งนะมาหาหมดอไอคนที่ยาสามตกสามมันไม่มาแล้วมันไปเลยหาใหม่แ <c> ล <oughs> ้ว ส่วนใหญ่น่ะกลับนะสได้เจอเมียเข้าเจอเมียที่สองไม่ดีอย่าเมียคนแรกอ่ะเนอะเขาว่าสำนึกใช่ใช่ก็ถามเรียกมาถามลงมาสอบอ่ะรอพูดด้วยควาำเผอครับครับครับ Subhanallahumma a bihamdika s h o l a i l a h a illa anta Astagfirullahu h atu bi u lailah b i s m i l a m u a l a i k u m Warahmatullahi wabarakatuh.